บทที่สี่สิบสามยึดมากทุกมากคุณสายจิตกับคุณอินมาถึงวัดสี่หน้าเมื่อพระสงฆ์สีรูปสวดพระอภิธรรมจบลงคุณเปี่ยมกับนายแรม เอาเรือส่วนตัวรับมาจากอายุธยาโดยออกเดินทางตอนตีสี่และกลับมาถึงวัดตอนเกือบสามทุ่มหากไปเรือโดยสารก็คงต้องมาถึงในวันรุ่งขึ้นเห็นหน้ามารดาบิดาสาวน้อยทั้งสามก็พากันร่ำไห้เข้ามาหาสองสามีภรรยาเข้าไปกราบคุณหลวงและคุณหญิงด้วยน้ำตานองหน้า หลวงทาราปลอบบุตรสาวและบุตรเขยว่าทำใจเถอะนะในไหนเขาก็จากเราไปแล้วคิดซื้อว่าทําบุญร่วมกันมาเพียงเท่านี้เสียงนั้นแม้เศร้าหากแนงด้วยเมตตาปรานีและแม่สายทองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสายจิตถามถึงบุตรสาวที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลสิริราชคุณสายใจจึงตอบน้องสาวว่า พ้นขีดอันตรายแล้วเห็นหมอเขาบอกว่าถ้ามาช้าอีกนิดเดียวก็คงไม่รอดนี่พี่ก็ให้พ่อประพ์เขาเฝ้าไข้สองคืนแล้วเนี่ยแกไปทำอีท่าไหนคะถึงได้เป็นโรคหาคุณพี่ทราบสาเหตุหรือเปล่าคะคุณสายจิตอยากรู้ต้นสายปลายเหตุเห็นแม่สายทองเล่า ว, ว่าไปทานส้มตำปูดองที่ตลาด ทานเสร็จก็รู้สึกปวดท้องทันทีเมื่อมาถึงบ้านก็ท้องเสียทั้งอาเจียนและถ่ายหนะักคุณพ่อเลยให้นายแรมนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแต่แม่สายทิพสิ้นใจก่อนถึงโรงพยาบาลโรคนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเธอก็รู้เป็นบุญของแม่สายทองที่รอดมาได้ผมจะไปเยี่ยมลูกคืนนี้เลยได้ไหมครับคุณอินถามรู้สึกสงสารจับใจ ด้วยรู้ว่าลูกสาวคู่แฝดรักกันมากการจากไปของคนหนึ่งย่อมเป็นความทุกข์ทรมานอีกคนหนึ่งพี่ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเพราะอินมาในเหนื่อยควรจะได้พักผ่อนพรุ่ง น, นี้เช้าค่อยไปไม่ต้องห่วงทางโน้นพ่อประพศเขาดูแลน้องสาวอย่างดีที่สุดประเดี๋ยวเรามาปรึกษากันเรื่องงานศพว่าจะทำอย่างไรจะเผาเลยหรือว่าจะเก็บ คุณพ่อท่านเสนอให้สวดอภิธรรมห้าคืนวันที่หกเผาวันที่เจ็ดทำบุญเจวันแล้วเก็บกระดูกไว้ครบห0สิวันทำบุญครั้งหนึ่งแล้วจะได้ไปทำอีกครั้งตอนครบร้อยวันพ่ออินกับแม่สายจิตมีความเห็นอย่างไรคุณสายใจพูดกับน้องเขยและน้องสาวแล้วแต่คุณพ่อจะเห็นสมควรเถอะครับ ผมไม่มีอะไรคัดค้านคุณอินตอบการรับรู้ข่าวร้ายอย่าง ก, กระทันหันทำให้คิดอะไรไม่ออกเขาเพิ่งสูญเสียมารดาและบิดาไปในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อสองปีที่แล้วยังไม่ทันจะลืมความทุกข์โศกก็ต้องมาเสียลูกรักไปอีกโอ้อนารจริงหนอชีวิตคนที่มีความทุกข์ไม่น้อยกว่ า, วาคุณอินเห็นจะได้แก่คุณหลวงกับคุณหญิง ด้วยว่าหลานสาวมาตายแล้วไม่หนำซ้ำหลานชายก็มาหายไปอย่างไม่มีร่องรอยอีกในแรมโมแต่ยุ่งกับเรื่องพาคู่แฝดไปโรงพยาบาลกว่าจะได้ไปรับหลานชายก็ตกสองทุ่มเศษรออยู่เป็นนานสองนานก็ไม่เห็นแม่งเงาครั้นเข้าไปถามหลวงตาวัตโนดก็ไม่ได้เบาแสแถมยังถูกหลวงตาขี้มโหตวาดเอาซิอีก จึงต้องแล่นเรือเปล่ากลับมายังวัดสีหน้าขณะที่ท่านกับคุณหญิงกำลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรมตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านดูจะมีเรื่องร้ายๆนะป้านะนางสาวกล่ำกระซิบกระซาบกับแม่วาดนั่นสิข้าไม่อยากคิดอกุศลก็อดคิดไม่ได้สงสัยคุณเปี่ยมจะเป็นตัวซวย ผู้ชายที่ประพฤตินอกใจเมียมักจะซวยไปตลอดชาติตัวซวยคนเดียวไม่พ อ, อยังทำให้คนอื่นเขาพลอยซวยไปด้วยแม่บ้านกระซิบตอบโดยไม่ชอบคุณเปียมเป็นทุนอยู่แล้วฉันว่าเขาอิจฉาคุณจเจริญ น, นะและป้าสังเกตไหมว่าคุณจเจริญเธอไม่ค่อยจะร่าเริง น, นับตั้งแต่คุณเปียมเข้ามาอยู่ในบ้านนี่เธอก็มาหายตัวไปโดยไม่มีวี่แวว ป้าว่าเป็นไปได้ไหมหากเธอจะหนีไปอยู่ที่ที่อื่นเป็นไปไม่ได้แน่คุณจเจริญเธอเป็นคนมีเหตุผลคงไม่ทำอะไรโดยพลาการอย่างนั้นข้าก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะป่วยกระทันหันก็เลยค้างที่บ้านครูจำนงแต่ครูก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวคุณหลวงท่านจะได้ไม่กังวล น, นั่นสิได้ยินคุณหลวงท่าน จะให้แนวแรมไปดูที่บ้านครูจำนงนะเจ้าปรากูลขอให้เป็นอย่างที่ป้าคิดไว้เถอะเกิดคุณเจริญเป็นอะไรไปอีกคนคุณหลวงกับคุณหญิงจะอกแตกกันคราวเนี้นางสาวกลำ่ำห่วงเจ้านายแต่ข้าค่อนข้างมั่นใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรคุณเจริญเธอเป็นคนดีมีความกะตันอยู่คนแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้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 มีใครมาส่งข่าวเรื่องพ่อเจริญบ้างไหมคุณหลวงถามเด็กหญิงวัยสทันทีที่ถึงบ้านไม่มีเจ้าค่ะเด็กหญิงเหมือนตอบสาวน้อยไม่รู้เลยว่าความบกพร่องต่อหน้าที่ของตนได้ทำร้ายจิตใจบุรุษวัย90้าสอย่างรุนแรงหลานปู่เกิดอะไรขึ้นกับหลานปู่คงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ หากต้องสูญเสียหลานไปอีกคนนิสกุลจรรยรัตจะสิ้นสุดลงเสียแล้วหรือหลวงทาลาคล่ำครวนในใจรู้สึกหมดเรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนจนต้องนั่งแม่ลงตรงหัวบันไดคุณเปียมกับคุณอินช่วยกันประคองพ่อตาเข้าไปข้างในคุณสายใจเข้าไปชงยาลมมาให้บิดา คุณหญิงห่วงเห็นเช่นนั้นก็พลอยมีอาการไปด้วยคุณสายจิตกับลูกสาวต้องมาช่วยกันประคองเข้าไปนั่งในบ้านส่วนในแรมแล่นเรือกลับไปรับแม่วาดและสา ว, สาวที่วัดสีหน้าขณะคนบนเรือกำลังชนุนลมนคุณพ่อคุณแม่ทําใจดีๆไว้ก่อนเถิดค่ะดิฉันคิดว่าพ่อจเจริญไม่ได้เป็นอะไรอาจจะป่วยกระทันหันจนกลับบ้านไม่ได้ พรุ่งนี้ในแรมก็คงจะไปรับตัวกลับคนสายใจปลอบบิดาและมารดาทั้งที่เธอเองก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของหลานแต่ครูจำนงก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวเงียบหายไปอย่างนี้จะไม่ให้พ่อคิดมากได้อย่างไรคุณหลวงพูดอย่างเสียงอ่อนระโหยเขาคงติดธุระ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 ให้ทุกคนในบ้านมาช่วยกันอธิษฐานขออำนาจบารมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ช่วยดลบันดานให้พอเจริญปลอดภัยรอแม่วาดกับพวกเด็กๆ ก, ก่อนจะได้สวดพร้อมกันทั้งบ้านเลยดีค่ะคุณหลวงแต่อีฉันว่าทุกคนอาบน้ําอาบท่าให้เนื้อตัวสะอาดสะอ้านเสียก่อนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที ก็ควรจะให้มีกายบริสุทธิ์เป็นอันดับแรกคุณหญิงห่วงออกความเห็นอาการคล้ายจะเป็นลมเมื่อครู่กลับหายไปอีกครู่ใหญ่ผู้ที่อาศัยอยู่ชายคาบ้านสามกระไดก็มาพร้อมกันที่ห้องพระซึ่งบรรจุคนได้ประมาณไม่เกินสิบคนครั้นเจ้านายเข้าไปนั่งห้องก็เต็มเสียแล้ว บรรดาบ่าวไพร่จึงต้องนั่งข้างนอกหลวงทาราจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขณะที่ทุกคนประนมมือจากนั้นคุณหลวงวัย90้าสจึงนำกล่าวบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือพระกะกุสันทะพระโกนาคมนณะพระกัสสปะพระโคตมะและพระเมตยะ แล้วจึงพากันสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งทุกคนสวดได้โดยมีกฎของบ้านสามกระไดว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องสวดมนต์สามบทนี้ให้ได้ครั้นถึงบทพาหุงและมหาการุณิโกผู้ที่สวดได้มีเพียงสามคนก็คือคุณหลวงคุณหญิงและคุณสายใจ ส่วนผู้ที่สวดไม่ได้คงนั่งประนมมือฟังด้วยอาการสงบสวดมนต์เสร็จประมุกของบ้านจึงนำกราวอาโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรโดยเจาะจงเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรของนายเจเริญจ ร, ริญรัตขออโหสิกรรมและจึงแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้จากนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันไปนอนด้วยว่าดึกมากแล้ว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 ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรแม่บ้านพูดอย่างนี้เด็กหญิงจึงถือโอกาสต่อรองว่านั่นก็ดีแล้วพรุ่งนี้ป้าเฝ้าบ้านนะฉันจะไปวัดบ้างไม่ได้หรอกข้าเป็นแม่ ง, งานต้องดูแลความเรียบร้อยจะมานั่งเฝ้าบ้านอะไรได้แม่ว่าตอบเลี่ยงเลี่ยงที่แท้นางเองก็กลัวผีคุณสายทิพย์ ถึงจะเลี้ยงเธอมาตั้งแต่แปบรบอกหากก็รู้สึกกลัวถ้าเช่นนั้นป้าก็ต้องหาคนมาเปลี่ยนชั้นไม่รู้ละพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่ด้วยละพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่คนเดียวอีกแน่มันได้ยินเสียงอะไรอะไรตลอดเวลาเลย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 แล้วส่งเสียงเรียกไปที่บนบ้านคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับผมมีธุระสำคัญจะมาเรียนให้ทราบคุณสายใจได้ยินเสียงมีคนเรียกโวกเวกอยู่หน้าบ้านจึงให้นางสาวกล่าออกมาดูคุณหลวงอยู่หรือเปล่าหมอจีนวัยห้าสิบเศษถามสาวน้อยอยู่จ้ะลุงมีธุระจะพบท่านหรือ สาววัยหย้อนถามถูกแล้วช่วยไปเรียนท่านด้วยว่าลุงจะมาส่งข่าวเรื่องหลานชายคุณจเจริญ น, น่ารือกจ้าลุงหล่อนทำตาโตที่ได้ข่าวดีจเจริญไหนในหมันถามด้วยว่ายังไม่มีใครในบ้านรู้จักชื่อหนุ่มน้อยเรียกกันแต่ว่าอาติเลยไม่รู้ว่าชื่อจริงของอตินั้นชื่ออะไร ก็หลานชายคุณท่านที่หายไปเมื่อสองวันก่อนลุงพบแล้วหรือจ๊ะคงจะเป็นคนเดียวกันมั้งอีอยู่ที่บ้านลุงกําลังป่วยมากลุงเลยมาส่งข่าวหายดีแล้วจะพามาส่งบ้านจะประคุณสิ้นเคราะห์ไปทีนางสาวกล่ำยกมือประนมเหนือสีษะเจอเลยจ้าลุงคุณท่านคงดีใจแย่อ เดี๋ยวให้ฉันไปเรียนท่านก่อนหลอนหายเข้าไปในบ้านประเดี๋ยวหนึ่งจึงออกมาเชิญ อ, อคันตุกะเข้าไปข้างในในมันยกมือไหว้คุณหลวงและคุณหญิงแล้วจึงแนะนำตัวเองผมชื่อในมันแซ่ตั้งมีอาชีพเป็นหมอจีนบ้านอยู่ในสวนเข้าไปทางคลองบ้านอ้อยตอนนี้หลานชายของท่านป่วยอยู่ที่บ้านผมครับหลวงพารา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 ให้บรุดไว่เก้าสิบฟังอย่างละเอียดผมจะต้องเอาเรื่องเจ้าหลวงตานั่นให้ได้คอยดูหน้าคุณหมอผมจะเอามันสึกให้ได้คุณหลวงพูดอย่างโกรธแค้นใจเย็นๆครับท่านการจะสึกหลวงตาชั่วร้ายคนนั้นคงทำไม่ยากแต่ผลเสียที่ตามมาสิครับท่านต้องไม่ลืมว่าคนชั่วมันมีพรรคพวกเป็นคนชั่วด้วยกัน ใช่ว่ามันจะอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมรีบก็หาไม่เพราะเหตุนี้คนดีจึงมีศัตรูถ้าท่านเล่นงานหลวงตานั่นพักพวกมันก็ต้องตามมารังควานท่านยังไม่มีที่สิ้นสุดผมคิดว่าไม่คุ้มกันเลยที่เราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนั้นจะให้มันลอยนวลต่อไปหรือถามอย่างไม่พอใจนะครับแต่ก็คงไม่นาน กรรมต้องตามสนองเข้าสักวันกรรมนั้นมีผลวิบากนะครับท่านผมเชื่อในกฎแห่งกรรมหมอจีนพูดหนักแน่นผมเองก็เชื่อแต่เอาเธอที่คุณหมอมาพูดก็ถูกเวนจะหยุดก็เมื่อหยุดจองเวนผมอโหสิกรรมให้มันเพราะถึงอย่างไรหลานผมก็ยังอยู่แต่ถ้าหลานผมเป็นอะไรไปผมจะไม่ให้อภัยมันเลย รับรองครับว่าหลานท่านจะหายในอีกไม่กี่วันแล้วผมจะพามาส่งแต่เอทาไมบ้านถึงแต่งดำกันล่ะครับหรือว่าไว้ทุกข์ให้อติคงไม่คิดว่าเขาตายแล้วบุรุษวัยห้าสิบเศษถามด้วยสงสัยหลวงทาราจึงบอกเขาว่าเรื่องเศร้าครับคุณหมอคือวันที่หลานชายผมหายไป หลานสาวก็มาเสียชีวิตด้วยโรคหาคนขับเรือมื่อแต่วุ่นวายนำคนป่วยส่งโรงพยาบาลจึงไปรับหลานชายผิดเวลาก็เลยเกิดเหตุร้ายขึ้นหลานสาวไปโรงพยาบาลก็มาขาดใจตายเสียกลางทางไม่ทันถึงโรงพยาบาลคนพูดมีสีหน้าเศร้าสลดคุณหญิงนั้นน้ำตาไหลพ ร, พรากเลยทีเดียว และตอนนี้ศบตั้งที่ไหนครับอยู่วัดสีหน้าเคยคนโตผมเขาเป็นคนจัดการนี่กระสวดไปได้สองคืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่สามแต่คุณหมอกรุณาอย่าบอกพ่อเจริญเขานะครับเดี๋ยวจะสุดหนักลงไปอีกเขาสนิทสนมกันมากครับผมจะไม่บอกคุณหลวงทำใจให้สบายเถอะครับ คิดซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากไม่มีใครหลีกพ้นถ้าเรายึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกมอจีนพูดหมายใจให้ผู้อาวุโสส่างโศ าจะไม่ยึดมั่นเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณหมอเพราะเรายังเป็นปูถุชนแต่ผมก็เข้าใจที่คุณหมอพูดเอาเถอะผมจะพยายามยึดให้น้อยจะได้ทุกน้อยผมเห็นจะต้องลาเพราะต้องเอามาพร้าวไปแลกข้าวเมื่อวานผมแวะมาบอกตอนเย็นไม่มีใครอยู่เลยวันนี้จึงแวะมาบอกก่อนเมื่อวานคุณหมอมาหรือ หลวงทารานึกคาดโทษเด็กหญิงเมื่ออาคันธุ ก, กะกลับไปแล้วจะต้องเรียกตัวสาวน้อยมาลงโทษฐานบกพร่องในหน้าที่ครับตะโกนเรียกอยู่นานไม่มีคนออกมาผมจึงกลับคุณหมอจะมาพร้าไปแลกข้าวที่ไหนหรือก็ไปเรื่อยๆและครับฐ่านบ้านไหนก็ถามเขาถ้าเช่นนั้นวันนี้ผมขอเหมาหมด แม่สายใจช่วยไปบอกแม่วาดให้พาเด็กๆไปช่วยกันขนมะพระ้าวขึ้นจากเรือคุณหมอแล้วก็เอาเข้าวสารลงไปแทนให้เต็มลำเรือท่านสั่งบุตรสาวคนโตถ้าเป็นข้าวสารใส่ครึ่งลำก็พอครับในมันรีบบอกด้วยเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบผู้ใดเขาไม่ใช่นักจวยโอกาสไม่เป็นไรคุณหมอ ผมขอตอบแทนบุญคุณที่ช่วยหลานผมไว้มันน้อยมากข่ะเทียบกับบุญคุณที่คุณหมอมีต่อผมและหลานบ้านคุณหมออยู่ในสวนลึกคงไม่ค่อยได้ออกมาซื้อกับข้าวเดี๋ยวผมจะให้เขาเอาอพวกน้ำปลากะปิน้ำตาลพลิกหอมกระเทียมฝากไปด้วยอย่าหาว่าอย่างโน้อนอย่างนี้เลยนะครับขอให้ผมได้ตอบแทนบ้างบุรุษวัยก้าสิบพูดอย่างระมัดระวัง เกรงว่าฝ่ายนั้นจะเข้าใจผิดว่าท่านดูถูกดูแกลนอันที่จริงมเพร้าวในสวนท่านก็มีเหลือเฟือแม้ผมไม่อยากรบกวนท่านเลยครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นบุญคุณอะไรผมระลึกเสมอว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้ผมยากจนนะครับท่าน แต่ผมไม่เคยห่วงกินที่บ้านผมมีข้าวต้มหม้อใหญ่ตั้งไว้ในกระท่อมแขกไปใครมาผมก็เรียกให้กินสมัยหนุ่มๆผมบวชอยู่กับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำท่านให้คติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่ห่วงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมจำเอามาปฏิบัติ แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านสอนจริงๆฟังบุรุษ ต, ตรงหน้าพูดคุณหลวงเชื่อแน่นแฟนว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัตบุรุษเขาจะเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตออกดีใจที่หลานชายได้เข้าไปพักพิงอยู่กับคนดีหากเขาเข้าไปอยู่ในบ้านโจรแม้ช่วเวลาสีห้าวันก็อาจรับถ่ายทอดนิสัยโจรจากเจ้าของบ้านได้ ล้านปูจะช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้ผ่านพบสัตบุรุษถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีไหนเลยจะได้พบกับคนเช่นนี้ล้วงทารารำพึงในใจผมเห็นจะต้องลาละครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับของกินเต็มลำเรือผมเกรงใจจริงๆนะครับเนี่ยอย่าได้เกรงใจเลยคุณหมอ วันหลังผ่านไปผ่านมาก็มาแวะนะคุณหลวงและคุณหญิงเดินมาส่งอาคัรตุ ก, กะถึงหัวบันไดในมันยกมือไหว้ลาอีกครั้งก่อนพายเรือ ก, กลับบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไว้อีกวาระหนึ่งเด็กหญิงสามคนวิ่งมารับพี่ลำประดงเช่นเคยหัวหน้าครอบครัว สั่งลูกๆมาช่วยกันขนของจากเกลือทําไมวันนี้พวกลือกลับแต่วันยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนไม่ใช่หรือเขาถามเด็กหญิงสุมนครูเขาปล่อยครึ่งวันคะเตียเขาบอกเขาจะไปประชุมที่อําเภอเด็กหญิงสุมนตอบแล้วอติเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงหนุ่มน้อยอีลุกเดินได้แล้ว ตอนนี้กำลังช่วยเจ้ใหญ่ตำข้าวเด้กหญิงสุนีตอบภาพหนุ่มน้อยท่าทางธรรมะแมกำลังตำข้าวอยู่อย่างขมับขมิน้นทำให้หมอจีนเดินยิ้มเข้าไปหาอาติลือไปช่วยเขาทำไมอย่าลืมว่าลือเป็นคนป่วยนะผมหายแล้วครับคุณลุงเมื่อคืนผมนอนสบายทั้งคืนรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวแต่เฉพาะตอนหัวค่า แต่หลังจากนั้นก็หลับสบายจนรุ่งเช้าตื่นมาก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยช่าง น, น่าอัศจรรย์เสียจริงนมน้อยไม่รู้ว่านั่นเป็นผลมาจากพลังเมตตาของคนบ้านสามกระไดนั่นสิลุงเห็นเลยหลับสบายเลยไม่ได้ปลุกนี่ลุงไปบ้านสามกระไดมาเรียบร้อยแล้วนมน้อยหยุดตำข้าว พรางถามอย่างใค ร, ร้รู้พบคุณปู่พร้อมหรือเปล่าครับพบสิท่านเป็นห่วงลือมากคุณหญิงท่านก็เป็นห่วงแต่ลุงบอกว่าลือไม่เป็นอะไรมากอีกสองสามวันก็กลับบ้านได้ผมขอกลับพวกนี้เลยได้ไหมครับเขาขออนุญาตยังก่อนเอาไว้ลื้อแข็งแรงกว่านี้ค่อยกลับเจ้าของบ้านไม่อนุญาต แท้จริงนั้นเขาไม่ต้องการให้อติไปรับรู้เรื่องราวการตายของหลานสาวคุณหลวงเกรงว่าหนุ่มน้อยจะเสียใจจนไข้กลับอีกรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้จึงค่อยบอกเล่าให้ทราบผมหายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรผมอยู่ต่อก็ได้ที่นี่น่าอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองหนุ่มน้อยพูดจากใจจริง ให้อีกกลับทอเตียเปลืองข้าวอีกกินจุยังกะอะไรเจ้ใหญ่แซงยาวนึกเอ็นดูพ่อหนุ่มราวกับเขาเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตผมจะทำงานให้เจ้ใหญ่รับรองว่าคุ้มค่าข้าวเขายาวตอบไม่เป็นไรหรออติเลิกกินจุไม่เป็นไรลุงมีข้าวเยอะแยะวันนี้คุณปู่เลือให้ลุงมาเต็มลำเรือเลย พวกเด็กๆ ก, กำลังช่วยกันขนมานั่นมอจีนผู้แสนดีบอกหลานชายหลวงทาราด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม